คือว่าจิตที่ติดอยู่ในความสวยสดงดงามเรือว่าความสวยสดงดงามในโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นสาระแกนสารก็คือว่าไม่มีอะไรจะ ง, งามจริงนั่นเองเจอก่อนที่จะธิบายก็จะขอนำ บ, บคุคคลตัวอย่างที่ประสบมา ก, กับเรื่องราคาจริต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 ตามภาษาบาลีซึ่องกล่าวว่านักขรัโสเพนิงแปลว่าหญิงงามเมืองหรือว่าหญิงที่ทำเมืองให้งามเป็นหญิงขายตัวประเภทศักดิ์สิทวิ์สูงโดยที่เรียกกันว่าเป็นคนชั้นสูงของโสเพนีเป็นที่สำหรับรับแขกเมือง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 น้ำเหลืองเดือดปุดปุดออกทำปากพระเจ้าพิมิสารก็กราบทูลองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ่าให้ทรงทราบสมเด็จพระพู้มีพระภ่าเจ้าจึงได้มีพระพุทธบัญชาให้พระเจ้าพิมิสารนำศพนางิริมาไปที่พลานหลวงวางไว้บนเตียงโดยไม่มีอะไรปิดแล้วสมเด็จพระธรรมาสามิจึงได้มีพระพุทธบัญชาแตากแพร่น อ, อนุน์ ว่านันทาดูก่อนอ น, นันนน์วันนี้เราจะไปเยี่ยมนางสิฎิมาเธอจงประกาศพระว่าใครจะไปกตถาคตปางก็ไปได้เมื่อองค์สมเด็จไปจอมไตรบรมศักด์สนดาสมเสด็จพระทุกองค์ก็ไปสําหรับพระองค์ที่หลงรักนางสิริมาดูนั้นดีใจมาก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 เตุทัสี่ราการนี้จะห่างกันไม่ได้จะขาดสิงใดสิ่งหนึ่งไม่ได้เมื่อการธาตุย่างหน่งอย่างใดขายความสมบูรณ์บริบูรณ์นั่นก็หมายความว่าถ้าธาตุใดธาตุหนึ่งบกพร่องลงไปขนานั้นร่างกายของเราก็ชื่อว่ามีโรคในเวลานี้ร่างกายขขานนสิศิริมา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 เรือธาตุไฟยังทรงธาตุน้ํายังทรงธาตุลมยังทรงธาตุดินก็ทรงเมื่อสิ้นชีวิตติณรียท่านลมอดหมดไปธาตุไฟก็ดับตอนนี้ร่างกายของคนตายถ้าเราจะไปจับมันจะเย็นเฉียบเมื่อธาตุไฟหมดไปท่านลมหมดไปเหลือแต่ธาตุดินกับธาตุน้ําไม่มีธาตุไฟประคับประคองดินน้ําก็ละลายดิน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 แต่ว่าสมีจิตบังคับร่างกายอาวัยวะภายในร่างกายทํางานทุกอย่างท้าวานจึงปิดบังไว้ถ้าปราศจากจิตวิญญาณมาไร่ความสกรปรกทั้งหลายโสโครกทั้งหลายทั้งหมดนี้ก็จะปรากฏขึ้ น, นตนและองค์สมเด็จพระทศพลยินได้ตรัสว่าดูกรพิสุทธิ์ทั้งหลายเธอทั้งหลายจงดูนาสิติมาเป็นตัวอย่าง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 พระองค์ที่รักนางสิฎรมาก็สลดใจอพราะโอนหนอเราเห็นนางสิฎรมาสวยสดงงามก็ใคร่ใคร่แต่เวลานี้นางสิฎรมาเป็นมีรูปร่างหน้ารังเกียจที่สุดและไม่เป็นจุดแห่งความปรารถนาของเราเลยเมื่อพระองค์นั้นพิจารณาไปตามกระแสวัฏธรรมทศนาพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นึกถึงร่างกายข้าวนาศิริมานึกถึงภาพข้าวนาศิริมาที่ยังมีชีวิตและมาพิจารณาดูนาศิริมาขนาดนี้ต่างกันมากแกเสวะสัธรรมเทศนาข้าองค์สมเด็จพระคูทมีพระภาคที่ตรงทุกอย่างเมื่อเข้านั้นเกิดศรัทธาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงตรัสต่อไปว่าพิฆเวดูก่อนพิสุทธิ์ไร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 ไม่ติดอยู่ในวัตถุ่านใดใดอื่นก็ดีเพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ปกติก็มีความสุบรกและในที่สุดเมื่ถึงเวลาสลายตัวก็ต้องปรากฏกับสภาวะเป็นอย่างนี้ข้านระองค์สมเด็จไปชินสีบรมศสาสดนดา ส, สัมมาสัพพุทธเจ้าเทศจจบความจมาริงเทศมากกว่านี้พระองค์นั้นก็ได้บรรลุอรหัตผลเป็นพระอริยะบุคคลสงสดุดในพระพุทธศาสนา